ยีการพิจารณากายเป็นธาตุจิตใจไม่เที่ยงวงเล็บเปิด8มิถุนายน25งพห้ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดเห็นไหมว่าร่างกายเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุลองจับดูเป็นวัตถุสัมผัสดูอย่าไปนึกเอาว่าเป็นวัตถุต้องสัมผัสจริงๆวิปัสสนาต้องรู้อารมณ์ที่เป็นของจริงเรียกว่าอารมณ์ปรมัสต์อย่างการนั่งคิดว่าร่างกายเป็นก้อนดินนี่เป็นการคิดเอาธาตุดินไม่ได้รู้ด้วยการคิด รู้ด้วยภาษะทางกายสัมผัสทางกายรู้ธาตุดินนี่ลองจับลงไปรู้สึกไหมแท่งๆนี่มีง่ามหลายแฉกตามมือนี้มันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราธาตุดินธาตุไฟอันนี้รู้ด้วยร่างกายธาตุลมรู้ด้วยร่างกายธาตุน้ำรู้ด้วยใจธาตุน้ำเราไม่ต้องเรียนก็ได้ธาตุน้ำจริงๆคือแรงดึงดูดระหว่างอะตอมธาตุน้าไม่ใช่น้าที่ไหลไปไหลามานี้ น้ำที่ไหลไปไหลามานี้อย่างเม็ดฝนอะไรเนี่ยนะมีธาตุทั้งสี่ครบเลยมีธาตุดินน้ำไฟลมครบเลยแต่ธาตุน้ำตัวจริงในทางาศาสนาพุทธเนี่ยมันคือแรงดึงดูดของอะตอมทําให้เกาะกลุ่มรวมตัวกันขึ้นมารวมขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้รู้ด้วยใจรู้ด้วยกายไม่ได้รู้ด้วยตามไม่ได้หรือการรู้ธาตุดินร่างกายนี้ตัวนี้ธาตุดินรู้สึกไมแข็งแข็งบางทีแข็งบางทีอ่อนรู้สึกไหม นี่มันอุ่นๆนี่ธาตุไฟรู้สึกไหมมันเคลื่อนได้ตรงที่มันขยับเขยื้อนเคลื่อนได้เนี่ยนะมันไหวได้เรียกว่าธาตุลมลมไม่ใช่ลมที่พัดไปพัดมาลมที่พัดไปพัดมาเนี่ยมีธาตุดินน้ำไฟลมครบเลยฉะนั้นคําว่าธาตุในาศาสนาพุทธกับธาตุในทางโลกก็ไม่เหมือนกันนะแต่เราไม่ต้องเรียนละเอียดอย่างนั้นก็ได้รู้สึกไหมว่านี่มันไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไ้ยว่าเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอยู่ตลอดเวลา เช่นหายใจเข้าไปหายใจออกกินอาหารขับถ่ายดื่มน้ำแล้วก็ไปปัสสาวะบ้างเหงื่อออกบ้างฉะนั้นธาตุมันหมุนเวียนนี่ความจริงของกายเป็นอย่างนี้ร่างกายอยู่ได้ชั่วคราวนะเกิดมาจากพ่อจากแม่แล้วก็เติบโตมาด้วยอาหารด้วยน้ำด้วยอากาศด้วยธาตุของโลกยืมธาตุของโลกมาใช้เติบโตขึ้นมาวันหนึ่งก็คืนธาตุให้โลกความจริงคืนอยู่ตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกคืนไปนะ กินอาหารแล้วก็ขับถ่ายออกไปธาตุมันหมุนอยู่ตลอดนั่นแหละสุดท้ายก็ทิ้งธาตุคืนไว้ในโลกนะถูกก็ออกไปฝังบ้างแตวัดของหลวงพ่อเนี่ยหวงซุ้ยเยอะนะในทางนมามธรรมในทางจิตใจสังเกตไหมว่าจิตใจของเราไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เคยคงที่เลยนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงเห็นไหมว่าจิตใจนี้บังคับไม่ได้สั่งให้สุขหรือห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีห้ามชั่วก็ไม่ได้ ควบคุมมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้เราคอยดูของจริงอย่างนี้เรื่อยๆคอยรู้สึกจากของจริงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะการปฏิบัติธรรมมันมีแค่นี้แหละไม่เห็นมีอะไรยากเลยรู้สึกอยู่ในร่างกายแล้วก็เห็นความจริงของร่างกายมันไม่เที่ยงนะมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุแล้วมันก็ถูกความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลานั่งก็เมื่อยยืนก็เมื่อยเดินก็เมื่อยนอนก็เมื่อยนะ มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่ร่างกายทนอยู่ไม่ได้ส่วนจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาจิตใจเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เนี่ยคอยรู้ของจริงอย่างนี้ไม่เห็นยากอะไรเลยรู้ของจริงในกายรู้ของจริงในใจพอรู้ตามความเป็นจริงจะเบื่อเบื่อในความไม่มีสาระแก่นสารของร่างกายจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของที่ไม่ใช่ของเราที่แท้จริง ใจมันจะเบื่อนะเอื้อมละอาไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์เท่าไหร่หมดความรักไปเรื่อยๆหมดความรักในกายในใจไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าสอนนะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกขรักอะไรก็ทุกเพราะสิ่งนั้นสิ่งที่เรารักมากที่สุดคือกายกับใจนี้เราทุกเพราะสิ่งนี้มากที่สุดอย่างร่างกายเราสังเกตไหมว่าตั้งแต่ตื่นนอนต้องปรนนิบัติมันมากมายเลยเป็นภาระนะเป็นภาระเป็นทุกเพราะร่างกายนี้เยอะแยะไปหมดเลย จิตใจก็เป็นผาระนำความทุกข์มาให้ตลอดเวลาเลยอยากโน้อนอยากนี้นะใจก็มีความทุกข์เร่าร้อนขึ้นมาหาความสุขหาความสงบที่แท้จริงไม่ได้เห็นอย่างนี้จะเบื่อพอเบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือออกไปคลายคลายออกไปมันไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ของน่ารักแต่เป็นของน่ากลัวเป็นของน่าเกลียดเป็นของซึ่งทนอยู่ไม่ได้เป็นของซึ่งไม่มีแก่นสารสาระที่แท้จริง นี่เห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำนัดคลายความยึดถือคลายความยึดถือแล้วจิตก็หลุดพ้นจากความยึดถือในกายในใจนี้เรียกว่าหลุดพ้นจากขันห้าขันห้าย่อลงมาก็คือกายในวงเล็บรูปกับใจในวงเล็บนามนี่เองทําไมเป็น5เพราะว่าในส่วนของนามธรรมในส่วนของจิตใจแยกย่อยได้อีก4อย่างคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ความรู้สึกเฉยๆในวงเล็บ เวทนาอย่างหนึ่งความจําได้หมายรู้ในวงเล็บสัญญาอย่างหนึ่งความนึกคิดปรุงแต่งในวงเล็บสังขารอย่างหนึ่งแล้วก็ธรรมชาติที่ไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในวงเล็บวิญญาณอีกอย่างหนึ่งพอแยกแยๆออกไปนะก็จะเห็นมีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่เห็นมีเราตรงไหนใจมันก็จะคลายความยึดถือในที่สุดก็หลุดออกจากกายจากใจมันแปลกเป็นสภาวะที่แปลก ที่นึกไม่ถึงว่าใจเราไปเที่ยวเกาะเที่ยวเกี่ยวเที่ยวยึดเที่ยวถือสิ่งต่างๆได้ทั้งวันทั้งคืนยึดอยู่แล้วก็ทุกอยู่อย่างนั้นโดยที่เราไม่เคยเห็นเพราะเราไม่เคยรู้เท่าทันใจของเราพอมหัดเจริญสติเรารู้เท่าทันจิตใจของตัวเองได้ชำนิชำนาญเราจะเห็นเลยจิตนี่วิ่งไปหาอารมณ์ ย, ยึดมาถืออยู่ตลอดเวลายึดทีไรก็มีทุกทุกทียึดในกายก็ทุกเพราะกายยึดจิตใจก็ทุกเพราะจิตใจยึดของอื่นๆก็ทุกเพราะของอื่นๆ มันมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทีนี้พอเราหัดมากๆเรารู้ทันจิตใจเที่ยวไปยึดถือโน่นถือนี่ก็มีความทุกข์ขึ้นมาพอรู้ทันจิตก็คลายไม่ยึดไม่ถือมันวางได้เป็นเรื่องแปลกมันเหมือนจิตนี้มีมือลึกลับไปหยิบฉวยสิ่งต่างๆขึ้นมาได้